วิแววของเจ้าช้างงาดำและบริวารคุ้มกันของมันอีกสองตัวที่จับหมูกันมาเป็นขบวนขณะที่นำตัวหล่อนมาบัดนี้เงียบหายไปนานเกินกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วพวกมันจะไปหลบคุ้มเชิงอยู่ที่ไหนหล่อนไม่สนใจและป่วยการเสียเวลาที่จะเรียกหาสอดส่องดูมันรู้แต่เพียงว่าตำแหน่งใดก็ตามที่มันยอมหยุดเพื่อให้หล่อนลงพัก ตำแหน่งนั้นจะไม่มีโพยภัยจากสิ่งอื่นใดเข้ามาคล้องแวะแผ่วพานหล่อนได้เพราะมันจะต้องเป็นยามคอยพิทักษ์ดูแลอยู่เท่าเท่ากับอำนาจปกป้องคุ้มครองหรือจะเรียกว่าควบคุมของมันไรที่เข้ามาเป็นเกราะชั่วคราวป้องกันตัวหล่อนเองไว้ยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าช้างคู่บารมีของหล่อนคือเจ้าด้ ว, ดวนหรือคณะพักที่ติดตามมาเข้าใกล้ถึงตัวหล่อนเมื่อไร เมื่อนั้นการประทะก็ย่อมจะเกิดขึ้นแน่และหากว่าฝ่ายของหล่อนจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเมื่อไรไอ้เจ้าพวกบริวารของมันไตรเหล่านี้ก็คงจะเข้าเล่นงานหล่อนในทุกลักษณะการอาจจะถึงขั้นเข้าทำลายชีวิตร่างกายหล่อนให้ย่อยยับลงไปก็ได้จะเป็นไปได้บ้างไหมนะว่าระหว่างที่พวกมันพากันนาตัวของหลอนไปอย่างที่ใดที่หนึ่งนี้ เกิดมีอะไรมาบันดาลให้ผ่านเข้าไปในรัศมีของระพินผู้ซึ่งหล่อนก็ไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วหล่อนก็มีโอกาสได้พบกับเขาเข้ า, ข า, ขาในระหว่างทางคิดมาถึงตอนนี้ดารินวราริทยิ้มเศร้าๆกับตัวเองพูดอยู่ในใจว่าตัวหล่อนเองนะเพื่อเจอมากไปซะละงมเข็มในมหาสมุทรดูเหมือนอย่างจังง่ายกว่าการมางมหาชายคนนั้น คนที่หล่อนยอมสละชีวิตมาตามเส้อด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะในขณะ น, นี้ถึงหล่อนจะไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันไตรโดยตรงก็ตกอยู่ทางอ้อมอยู่แล้วมีเหรอที่มันจะให้ช้างอันถูกสะกดด้วยอาคมของมันนาทางให้หล่อนเชียดใกล้เข้าไปยังละแวกที่ระพิงอยู่ในขณะ น, นี้จะมีก็แต่พยายามจะหาทางแยกทางออกไปให้มันไกลลิ คนละทิศละทางทีเดียวถึงมันเองแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไม่ว่าชาติก่อนหรือชาตินี้ต่อให้เรืองเวทวิทยาคมซักแค่ไหนมันก็ยังคลั่นครามระย่อเขาอยู่เป็นอันมากมีแต่จะใช้วิธีการเล่กลอบกัดเท่านั้นเรื่องที่จะเผชิญหน้าโดยตรงบุโรหิตผีรายอย่างมันหาเคยได้บังอาจไม่ไม่ว่าสมัยที่เขายังเป็นอัคนรุธ ในครั้งกระโนนหรือระพินไพรวันในครั้งกรณีบัตรนั้นดารินได้ยินเสียงใบไม้ลั่นเพราะมีอะไรเหยียบอยู่หลังโคนต้นไม้ขนาดใหญ่ขนาดสิบคน อ, อกอันเป็นตำแหน่งที่หลอนเข้ามาอาศัยพักอยู่ในระหว่างภูรากสูงดึกกำแพงขนาดทั้งสองด้านครั้งแรกนึกว่าหูอาจจะฝาด จึงสงบจิตคอยจับเสียงอยู่และชั่วไม่นานมันก็มีเสียงลั่นกรอแกลบขึ้นมาอีกหูอันเคยชินบอกได้ทันทีว่านั่นไม่ใช่เสียงของฝีเท้าสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดทางสิ่งมันซุ่มซุ่มเหมือนจะแอบย่องเข้ามาใกล้หลอนอยู่หลังต้นไม้ใหญ่นี่เองแล้วอาจจะซุ่มอยู่นานแล้วในสภาพ ที่ลับลับล่อล่ อ, ลอแม้จะรู้ว่าปืนสั้นกระบอกจ้อยลอยจะไร้ความหมายแทบจะสิ้นเชิงในภาวะเช่นนี้แต่ดารินก็ชักออกจากซองโดยสัญชาตยานเคยชินพร้อมกับเอ่ยเป็นวาจาออกไปด้วยเสียงทุมลึกเจ้าจะเป็นอะไรก็ตามก็ขอให้ปรากฏตนออกมาเถอด เราไม่มีสติปัญญาใดๆที่จะเป็นพิษเป็นภัยกับเจ้าได้หรอกสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆที่อ in ับจนสิ้นท่าหลงป่าอยู่คนเดียวตามลำพังเช่นนี้ใต้ฟ้าพระบาทหาช่หญิงอับจนสิ้นท่าที่หลงป่าอยู่ตามลำพังไม่ แต่ปลอดภัยทุกประการภายใต้การคุ้มครองดูแลของทาดรับใช้บริวารเดิมผู้พักดีเสียงเนิบช้าแหบห้าวเหมือนลมหนาวที่โชยผ่านโพรงหินดังตอบมาอย่างเช่มช้าดารินสำเนียชัดพยายามฝืนยิ้ม พร้อมกับระบายลมหายใจลึกมันไรเหรอพระเจ้าขา่าข่าพระองค์มันไรพระเจ้าขา่าอืมเป็นการดีมากกำลังคิดถึงทีเดียวอยากจะพบอยู่กล่าออมาสิท่านราชบุโรหิตมันไร มีอะไรที่ท่านจะต้องกริงเกรงแอบแอบซุ่มๆุ่มอยู่เช่นนั้นล่ะสำเนียงลีลาของคำปราัสใสซึ่งบัดนี้ดารินเริ่มจะคุ้นกับประสาทสัมผัสและจดจำได้ดีพอสมควรแล้วเสียงนั้นดังต่อมาว่าจิตรางขนางขอใต้ฝ่าพระบาท อย่าได้ใช้อาวุธเพลิงมาที่มันไรเลยหากว่ามันไรปรากฏให้เห็น <c oughs> มันไรก็เมื่อยามดึกของคืนที่ผ่านมาเราก็ได้พบและสนทนากันด้วยดีแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงระแวงเราอีกละ่ะแล้วอาวุธเพลิงของเราที่ท่านเอ่ยถึงนั่นมันจะมีประโยชน์อันใด ในการจะนำมาใช้กับวิญญาณอันเป็นอมตะของท่านเราทำอันตรายใดๆท่านไม่ได้นี่ซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วดารินกล่าวออกมาอย่างเป็นกันเองที่สุดดอกปืนสั้นอยู่ในมือช้าๆไม่ได้ถือจ้องเตรียมพร้อมจริงจังอะไรนักอมนุษย์ผู้เรืองเวทเงียบไปชั่วครู่ก็กล่าวมาแช่มช้าว่า โดยแท้จริงมันไครหาได้วันเกรงใดๆต่ออาวุธเพลิงของใต้ฝ่าพระบาทเลยไมย่แม้ว่าจะมีอาคมลงมหาเวทขังไว้เพียงใดก็จะหยุดได้เฉพาะซาที่มันไกรอาศัยสิงสู่อยู่เท่านั้นแปลวิญญาณของมันไกร ที่ได้รับอันตรายใดๆทั้งสิ้นและจะเปลี่ยนไปสิงสู่อยู่ในซากอื่นใดอีกก็ได้ถ้าทำมาไรเพียงแค่ขอ้ว่าได้บาปอย่าได้คิดทำลายซากนี้ของมันไรลงซะเพื่อมันไรต้องต้องอาศัยอยู่ในซากอื่นอีกเลย ไม่ละมันใจเราจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรแล้วถ้าจะทำก็คงได้ทำไปตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วละ่ะไม่ต้องรอจนถึงคืนนี้หรอกอถาถะถ้าท่านระแวงเราก็จะเก็บอาวุธของเราซะออกม า, าท่านราชปุโรหิตมิตรเก่าของเราประโยคหลังดารินทอดเสียงเนิบอ่อนหวาน พร้อมทั้งหัวเราะน้อยๆก่อนที่จะสอดปืนสั้นเข้าซองข้างเอวตามเดิมแล้วนั่งประสานมือกอดเข่ารออยู่บัตรนั้นร่างของซากนักรบโบราณร่างเดียวกับที่หลอนเห็นอย่างใกล้ชิดที่สุดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรากฏขึ้นจากมุมสลัวมัวมนของเงารากไม้ใหญ่รังงานชะเงื่อมราวกระเสาหิน หล่อนก็เกิดความเคยชินซะละและในขณะนี้เฉพาะเดี๋ยวนี้หล่อนไม่อยู่ในฐานะที่จะหวาดกลัวระวังท่านใจใดๆอีกแล้วเพราะความจำเป็นและสถานการณ์บีบบังคับอยู่อย่างน้อยที่สุดระหว่างการยอมตัวปฏิบัติตามจุดประสงค์ของมันตามข้อสัญญาเจ้าปุโรหิตผีร้ายจะยังไม่ก่อพิษภัยพยันตรายใดๆแก่หล่อนซะก่อนเวลา ตรงข้างมันควรจะเป็นมิดในยามราตรีวิการขณะที่หล่อนอยู่ตามลำพังกลางไพรเถื่อนวิเวกวังเวงนี้ซะมากกว่าร่างนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้หล่อนห่างประมาณสามวาทางด้านอันไม่ได้ก่อกองไฟไว้ดารินหมุนตัวในท่านั่งหันเผชิญตรงยิ้มให้พยักหน้าออกมาอย่างมิดสนิทว่า เราอนุญาตได้ท่านปฏิบัติตนตามสบายนะท่านปุโรหิตเชิญนั่งที่ขอพระไทยเป็ น, ปนพระมาหาการุณ า, าที่คุณล้นกล่าวพระเจ้าค่ะ ม, มันไรไไพื้นพ ร, รมออกมาด้วยสำเนียงอ่อนโยนสุภาพค่อยๆ ย, ย่อนกายลงกับปลายของรากไม้ตรงตำแหน่งที่เข้ามาหยุดยืนอยู่ยามนี้ ดารินมองดูร่างนั้นเกือบจะเหมือนกับร่างกายของมนุษย์ปุถุชนสามัญธรรมดาที่มีทั้งเลือดเนื้อและวิญญาณทุกอย่างวิแววของการที่เคยเห็นในครั้งก่อนๆว่ามันเป็นซากของอสุรกายแทบจะไม่หลงเหลืออยู่เลยเพียงแต่เฉพาะวงหน้าของซากนั้นเท่านั้นที่ถูกฉากของความมืดอําพรางอยู่มองเห็นได้เฉพาะสันฐาน เข้ามา ใ, ใกล้ชิดเราอีกหน่อยไม่ได้เหรอมันไกลเข้ามาให้ใกล้จิตรางขนางเธอรเรารู้ว่าท่านก็ปราถนาเช่นนั้นและเราก็อนุญาตแล้วนี่อีกครั้งหนึ่งที่รา ช, ชะสะกุลสาวใจดีสู้ผีพร้อมกับยิ้มละไมเพียงแค่นี้ <laughs> มันไครก็ชื่นใจเป็นสุขล้นพ้นแล้วแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่มันไครจะเข้าใกล้ชิดใต้ฝ่าพระบาทมากกว่านี้พระเจ้าค่ะดารินยิ้มกว้างออกไปอีกทำไมหล่อนจะไม่รู้ว่าเจ้าปีศาจพ่อมดรายไม่อาจจะเข้าใกล้ชิดกายหล่อนได้ด้วยมหิทธานุภาพของพระพุทธคุณ และอระหันตเจ้าที่เปรียบประดุดกงจากไฟที่แผ่เป็นรังสีคุ้มกันรอบ ก, กายหลอนอยู่แต่ลอนก็ยังไม่แน่ใจตนเองเหมือนกันว่าจะพลังเผลอเพรียงพล้้าเมื่อใดสิ่งที่จะต้องระมัดระวังตัวแกอยู่ในขณะนี้ก็คือพระเครื่องรางจะไม่ยอมให้หลุดพ้นจากตัวเป็นอันขาดไม่ว่าจะโดยอุปทวะเหตุหรือโดยเล่กลมัญญาใดๆของมัน ทั้งสิ้นอขอบใจอีกครั้งที่ท่านอุตสาบปรากฏกายออกมาเยี่ยมเยียนเราอีกมันไรออกมาในยามที่เราก็โดดเดียเ่ยวเปลี่ยวเปล่าตามลําพังในราตรีเช่นนี้และก็ขอบใจนะต่อการให้ความสะดวกในการเดินทางโดยไม่ให้เราต้องเหนื่อยยากเกินไปนักทั้งจัดหาอาหารแล้วก็แหล่งพํานักไว้ให้ทุกระยะเดี๋ยวนี้เราเชื่อแล้วละ่ะ ว่าท่านมีปรารถนาดีต่อเราอย่างจริงใจมันไตรพิติโสมนัสเป็นลบนพนพระเจ้าค่าที่ใต้ฝาพระบาททรงกระทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไวโดยยอมเสด็จตัดราชพานนะที่บรนไพรส่งไปรับนับแต่รุ่งอรุณที่ผ่านมาพระเจ้าค่า สนทนาตอบโต้เป็นไปอย่างปกติธรรมดาทุกอย่างระหว่างสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งผ่านพ้นยุคสมัยในอดีตการมาเกิดใหม่แล้วกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นวิญญาณวนเวียนเฝ้ารอคอยอยู่นับอนันตการซึ่งระยะเวลามาบรรจบกันได้ในดินแดนลี้ลับเหนือโลกนี้เราก็ปฏิบัต ตนตามสัจจะที่ให้ไว้กับท่านแล้วท่านเองล่ะมันไตรท่านได้ปฏิบัติตามสัจจะที่ให้ไว้กับเราหรือไม่ล่ะดาริงย้อนถามสงหมายถึงอคคณิรุธใช่หรือไม่ล่ะฟาพระบาทใช่เราหมายถึงอคคนิรุธที่ท่านหมายจ้องจองล้างผลาญอยู่ทุกขณะจิต ซึ่งเราได้ขอร้องต่อท่านไว้โดยการแลกเอาตัวเราเข้ามาแทนให้แกวัตถุประสงค์ของท่านไงโปรดวางประไทยเธอพระเจ้าค่ะเมื่อพระองค์มีสัตว์จะมันไรก็รักษาไว้ซึ่งสัตว์จะดุดเดียวกันตลอดทั้งที่วาการที่ผ่านมานี่ หาได้มีสิ่งใดจากมันไตรแผวผานเข้าไปราวีข้องแวะกับอคานิรุธเลยแม้เท่ารอยเล็บควรทั้งๆ ท, ที่มันและพวกมันทั้งหมดเข้าไปสู่กับดักของมันไตรไม่ผิดอะไรกับหนูที่เข้าไปสู่จันดักแต่มันก็ผ่านพ้นไปได้ โดยมันไรนี้ได้ก่อให้เกิดพิบัติภัยใดๆขึ้นเลยซึ่งถ้าจะกระทามันก็จะต้องแหลกล้านลงทั้งคณะดารินใจสั่นระทึกและพยายามระ ง, งับไว้ด้วยสีหน้ายิ้มเป็นปกติลวงถามต่อไปทันทีอย่างน้อยที่สุด หล่อนก็ต้องการทราบข่าวคราวของระพินแม้จะน้อยนิดสักแค่ไหนก็ขอให้ได้ทราบบ้างก็ยังดีนี่มันใจเหตุการณ์ทางด้านอคติรุธเป็นยังไงสําหรับวันที่ผ่านมานี่ขอเราทราบบ้างเถิดจากกรณีที่ท่านอ้างว่าได้เข้าไปสู่กับดักของท่านเรื่องมันเป็นยังไง <c oughs> จิตรางกนางราตรีกร่อนมันได้ถูกบริวารของมัน ไ, รไตรไล่ต้อนเข้าไปจนมุมอยู่บนมหาเทวาลัยอันเป็นสุขสารของราชวงศ์ของพระองค์เองโดยมันหารู้ตัวใหม่ยามนั้นถ้ามันไครจะให้เพดานหินเบื้องบนที่ปริร้าวยุก่อนแล้ว ถังถล่มทับลงมามันก็ย่อมจะแหลกยับยอยู่ภายใต้กองหินนั่นแล้วแต่มันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ใต้ฟ้าพระบาทขอสัจจะกัมันไรไว้จึงไม่ได้เกิดอันตรายใดๆขึ้นครั้นแล้วครั้นแล้วในสายยันหักการวันนี้เอง พวกมันทั้งหมดได้บังอาจูลูบุกรุกลงไปภายใต้มหาสุสาลเบืองล่างบุกลงไปจนกระทั่งบรรลุถึงใจกลางมหาสุสารไปแผ่นดินพิพพอันเป็นที่ไว้พระสพของพระราชบิดาและหีพระสบของพระองค์เอง มันได้ย้อนกลับลงไ ป, ไปเห็นหีพระสบของจิตรางคันนางซึ่งมีรอยเปิดอ้าออกโดยตัวมันเองเป็นผู้มาลอกเปิดและขโมยพระสบของพระองค์ไปในครั้งกระนั้นระวางที่อยู่ใต้มาหาสุสานมันใครจะใช้มนตราอาคมทำให้สุสานสุดถล่มลง ลบฟังพวกมันทั้งสิ้นเสียเมื่อใดก็ย่อมกระทําได้ทุกขณะบริวารของมันไรก็รอคอยพร้อมอยู่แล้วในมหาสุสานแห่งนั้นแทบจะทุกซอกทุกมุมจะครูกันออกมาฉีกเนื้อพวกมันทั้งหมดที่ล่วงล้ําลงไปเสียเมื่อใดก็ย่อมได้แต่มันไรก็ส ง, งบเฉยไว้ ปล่อยให้อคคณิรุธลงไปลงไปจนถึงส่วนที่ลึกที่สุดแล้วก็กลับขึ้นมาได้โดยสวัสดิภาพาเพียงเพราะคำมั่นสัญญาที่ใต้ฝาพระบาทขอไวนี่คือสัจจะที่มันไตรรักษาไว้เป็นข้อแลกเปลี่ยนกับที่ใต้ฝาพระบาท ยอมเสด็จมา ก, กับคตชสารราชพหนะที่มันไครทรงให้ไปรับเดินทางมาขอให้ใต้ฝ่าพระบาทอย่าได้กังวลใดๆกับอคคณิรุธอีกเลยมันไครจะไม่ส่งอิทธิฤทธิใดๆเข้าไปก่อกกนรังควานอีกแล้วตราบเท่าที่จิตร้างขันนางปฏิบัติ ตามข้อตกลงหญิงสาวตกอยู่ในภาวะตื่นเต้นในทันทีนั้นยืดกายตรงขึ้นสดับฟังทุกถ้อยกระทงความที่เจ้าพ่อมดร้ายเปิดเผยความมาอย่างจิตใจจดจอ่อเอ่ยขึ้นโดยเร็วว่ามันไรที่พูดมานั้นแน่ใจนะว่าพูดจริง เป็นความสัต์จริงทุกประการพระเจ้าค่ะแล้วมหาสุสานที่ท่านว่าน่ยอยู่ที่ไหนล่ะจิตรางขนางสุสานแห่งนั้นนเล มันห่างไกลจากสถานที่ซึ่งพระองค์ประทับอยู่ณที่นี้มากนักอย่าได้สนพระทัยเลยถึงยังไงก็ไม่มีวันที่จะเสด็จไปได้หรอกอย่าเมื่อพระองค์ตกอยู่ภายใต้สัจจะที่มอบไว้ให้แกมันไรเช่นนี้ไม่มีเงื่อนไขอื่นใดอีกแล้วนอกจากจิตรางคันนาง จะบายพระพักไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งตามที่ทรงให้สัญญาไว้ส่วนอัคนิรุธและพวกก็จะบายหน้าไปอีกทางหนึ่งโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆตามที่ทรงขอไวอันจะเป็นผลมาจากการกระทำของมันไรผู้นี้่วนมันและคันนะ จะไปะเผชิญกับวิบัติภัยอื่นได้นอกเหนือจากอำนาจกริยามนของมันไรมันไรก็หาได้เกี่ยวข้องใดๆอีกไม่มันนอกเหนือไปจากตัวของมันไรอีกแล้วทางสิ้น <c oughs> <c oughs> ดารินกำมือแน่นอารมณ์เริ่มจะร่าร้อนกระสับกระส่ายแต่แล้วก็สู้สงบลงตามเดิม ลอยมันก่อนยังไม่ถึงเวลาหล่อนพร่ำเตือนตนเองและตระหนักดีว่าไร้ประโยชน์ในการที่หล่อนจะซักถามความใดๆไปถึงระพินเพราะคงไม่ได้รับความกระจ่างแน่นอนขอเพียงอย่างเดียวให้มันเลิกคิดร้ายดักทำอันตรายเขาเท่านั้นก็เป็นสิ่งที่หล่อนพอใจแล้วเพราะจะหวังอะไรมากไปกว่านี้ย่อมไม่ได้ ระหว่างที่ดารินนิ่งอึ้งไปด้วยความคิดหนะักมันไตรก็เอ่ยมาอีกอย่างแช่มช้าว่าจิตรางขนางบวยการบวยการที่พระองค์จะไปห่วงกังวลถึงศัตรูคู่แขนเก่าที่เคยสังหารพระราชบิดามาแล้วในอดีตชาติ จงคิดถึงแต่เฉพาะมันไตรผู้พักดีนี่เธอมันไตรผู้ไม่เคยกระทําสิ่งใดให้เป็นที่รกคายเบื้องพระบาทแม้แต่น้อยจะมีก็แต่ความสเสน่หาแน่วแน่มาตลอดและเฝ้ารอคอยรอคอยมาหลายกับหลายกัน <c oughs> มันไรนี่ท่านอ้างว่าท่านจงรักภักดีต่อเรามาชั่วนิรันด์ยังงั้นเหรอพระเจ้าขา้านั่ น, น, นเป็นสิ่งแน่ แ, นแท้แมุาสาพอสิ้นข้าไปแล้วในยุคนั้นเจ้าก็หันไปผูกสมัครรักหมายอยู่เกับพันธุมวดีอันเป็นลูกพี่ลูกน้องของขา้า โดยมิสตรีอื่นเข้ามาแทนที่ผูกมัดดวงวิ ญ, ญญาณของน้องสาวข้าไว้ให้เป็นธาตสวาสดของเจ้าจนกระทั่งข้านี่แหละได้กลับชาติมาเกิดอีกครั้งและเป็นผู้ไปถอดกรดปักคำพีอุบาทของเจ้าปลดรอยวิญ ญ, ญาณน้าเวทนาของพันธุมวดีให้เป็นอิสระพ้นจากบ่วงกรรมของเจ้าไป <c oughs> <c oughs> จิตรางคนาง ได้ปรดเข้าพระทัไทยให้ถูกต้องมันไรกระทำการลงไปในครั้งนั้นอันเป็นผลได้อาณาจากักถล่มล้มไปหมดสิน้นและยึดองค์พันธุมมวดีไว้ก็เพราะแรงแค้นกษัตริย์ชัยสุริยาอันเป็นพระเจ้าอาผู้ขับบททรยศของพระองค์เองเป็นการแก้แค้นแทนให้แก่จิตรางคนนาง และพระราชบิดาไมฮิทธิเดชะโดยแท้พระเจ้าอาชัยสุริยาขบถต่อพระองค์และเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้จิตรางคนางต้องช้าชอบพระไทยจนถึงกับปรงประชนองค์เองมันไรจึงกระทําการเช่นนั้นขึ้นถ้าจิตรางคนางไม่ด่วนปรงพระชนลงเสกก่อนมันไรผู้นี้ก็ได้ปฏิญาณไว้แล้ว ว่าจะเอาราชบัลลังก์กลับคืนมาให้แต่ก็สงชิงตัดช่องน้อยแต่พอตัวละหนีมันไรไปซบก่อ น, อนเพราะเสียประทัไทยเรื่องอคคณิรุธสังหารพระราชมิดาสำพระเจ้าอายังขบทนี่ได้หันมาเห็นใจมันไรผู้แสนจะรักพักดีผู้นี้บ้างเลยเมื่อสิ้นสตรีอันเป็นที่รักที่หวังลงแล้ว มันใครจะเหลืออะไรอยู่อีกจะเหลืออะไรนอกจากคทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพราะความเจ็บแค้นน้อยใจอันเป็นผลต่อเนื่องเกี่ยวโยงกันอยู่มันใครไมีได้ปราถนาพันธุ์ธุมวดีผู้เป็นลูกผู้น้องแต่มันไครจำต้องกระทําลงไปเพื่อให้สมแค้น พระเจ้าค่ามันไรสันดานเจ้าก็เหมือนกับสันดานชายทั่วๆไปนั่นแหละเอาพี่ไม่ได้ก็เบนไปหาน้องต่อไปสุดแต่การละสมัยจะอำนวยให้คำอ้างของเจ้าน่ะฟังไม่ขึ้นหรอกสำหรับข้าหากเจ้ารักข้าจริงแม้ข้าจะหาชีวิตไม่แล้วในครั้งกระนั้นเหตุใดเจ้าไม่รักษาศพข้าไว้ในสุสานแห่งนิทรานครตลอดไปล่ะ เหตุใดจึงปล่อยให้อกนิรุธบังอาจลักลอบเข้ามาขโมยศพข้าไปได้โดยบุกเข้ามาถึงใจกลางมหาอาณาจักรเขาผู้นั้นสิได้พิสูจน์แล้วว่ารักมั่นคงต่อข้าจริงแม้ข้าจะเป็นศพไปแล้วเขาก็ยังอุตสาหมาเอาศพของข้าไปสู่อาณาจักรของเขาศพของเจ้าหญิงมากราช ก, กุมารีแห่งมหาอาณาจักรยิ่งใหญ่ปล่อยให้ศัตรูแอบลักลอบเข้ามาขโมยไปจนได้ แล้วพวกเจ้าอยู่กันได้ยังไงราชปุโรหิตมันไรสงบนิ่งเงียบงันไปนานดารินก็ย้ำถามมาอีกในเจ้าลองอธิบายมาสิเจ้าก็เป็นผู้เรืองเวทวิทยาเหนือแผ่นดินทั้งหลายในยุคนั้นซ้ำอิทธิริตมตร า, าคมก็ยังคงเกรียงไกรอยู่มาจนกระทั่งปัจจุบันนี่จะปล่อยอคณิรุษมาขโมยศพของจิตรางคนางไปได้ยังไง แล้วเหตุไหนจึงนิ่งเฉยไม่ติดตามกลับคืนมาถ้าอ้างว่ารักจริงในทางตรงข้างกลับไปหมายปองพันธุมวดีอันเป็นรูปผู้น้องต่อไปโดนเข้ากับข้อปุจฉาอันแฝงลึกไปด้วยมารยาแท้งเข้าเช่นนั้นมันไรผู้เรืองเวทก็ถึงกระอึ้งไปเป็นครู่ใหญ่ดารินซ่อนยิม้ม หล่อนมีความเชื่อมั่นว่าแม้มันจะใช้จิตตานุภาพอันกลา้าฤทธิ์เพื่ออ่านเข้ามายังดวงจิตหรือประสาทสมองของหล่อนยามนี้ซักเพียงไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุ้มครองตนอยู่ก็คงจะเปรียบเสมือนร่างแหตาข่ายเพชรสกัดกั้นไม่ให้มันได้ย่างเข้ามาสู่ความรู้สึกนึกคิดภายในของหล่อนได้พลางก็จ้องเขม็งไปยังร่างนั้นรอดูว่ามันจะให้คําตอบต่อข้อกล่าวหา เึ่งตัดพอต่อว่าของหล่อนเช่นนี้ก็เป็นการสนุกดีเหมือนกันที่หล่อนจะใช้ความฉลาดจากวาจารุกไล่ตลบล่ออดีตมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่แห่งนิทรานครผู้มากล้นไปด้วยเล่ปัญญาพร้อมกันก็หาโอกาสที่จะสอบถามความอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองให้มากที่สุดดีกว่าที่จะมานั่งสะทกสะทานผวาหวาดหวั่นเกรงเจ้าอมนุษย์ตนนี้อยู่ ติดรางขนางแม่ในชาติภพนี้ใต้ฝ่าพระบาทก็ยังทรงไว้ซึ่งความแหลมคมในด้านวาทะเสมือนอดีตที่ผ่านมามิได้ผิดเพี้ยนไปเลยพระเจ้าค่ะมันไตรเอ่อยออกมาในลักษณะเหมือนรำพึงมันไตร เรากำลังรอคำตอบจากท่านอยู่ในสิ่งที่ถามไปแล้วนะลองตอบมาสิจิตรางคันนางพระองค์อยากจะทราบว่าเหตุชนไหนมันไรผู้นี้จึงไม่ได้พิทักษ์ปกป้องพระศบของพระองค์ปล่อยให้อคนิรุธมาลอบขโมยไปได้เช่นนั้นหรือ พระเจ้าค่าใช่รวมทั้งไม่สนใจที่จะติดตามกลับคืนมาให้ด้วยจิตรางขนางเป็นสมบัติของชาวนิทรานครแม้จะเป็นซากศพไปแล้วก็ตามหาใช่สมบัติของอคคนิรุธแห่งแควนปัญจาละไม่และนิทรานครยามนั้นก็มีท่านเป็นผู้กุมอำนาจยิ่งใหญ่อยู่เหนือกษัตริย์ชัยสุริยาซะด้วยซ้ำไป ศีรษะอันใหญ่โตนั้นรุปต่ำลงเห็นแต่ไหล่ที่ตั้งสูงจิตร่างขันนางนี่ก็แปลว่าพระองค์หาได้ทรงรู้จากแกนแท้ของอคคณิรุธในครั้งกระนั้นเลยแม้แต่สักนิดเอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไง ในเมื่อเราไม่อาจจะระลึกถึงความหลังได้ด้วยตนเองทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าจะรู้มาบ้างก็เพียงแค่จากคำบอกเล่าของท่านเมื่อราตรีที่ผ่านมาเท่านั้นเนี่ยพระเจ้าข่าจิตรางขะนางได้โปร ด, ด, ดรับฟังพร้อมทั้งทรงไตรตรองให้รอบคอบในสิ่งที่มันไรจะทูลต่อไปนี้ อันว่าเจ้าชายอักนิรุธแห่งแคว้นปัญจาละผู้เป็นชายที่พระองค์เองได้ทุ่มพระไทยรักให้จนหมดสิ้นในครั้งกระนั้นนอกจากจะมีฝีมือในการรบประดุษสิงหราชอยากที่จะหาผู้ใดในปัตภีเสมอเหมือนได้แล้วก็ยังปราดเปรืองเรืองวิทยาอาคมยิ่งนัก เพียรพร้อมไปด้วยกฤษดานุภาพทางเวทมนต์อย่าว่าแต่อื่นใดเลยแม้แต่สเสวทสจัดไอศูนย์ของนิทรานครอันเป็นราชธานีใหญ่หากอคคณิรุธจะปล้นชิงใช้เอาเสี้ยเมือ่อใดก็ยอมได้ใต้ฝ่าพระบาทคงจำที่มันไรกราบทูลให้ทราบได้ ว่าพระชนชีพของสมเด็จพระราชบิดาของพระองค์เองก็ยังต้องปริกลงลงในยุทธภพระหว่างยุทธนาการมันไรเองยามนั้นก็ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากลางศึกแม้จะใช้สติปัญญาจนสุดความสามารถเท่าที่มีอยู่ก็ยังป้องกันพระชนชีพของมห ah ิิธิเดชไว้มิได้ ก็แล้วฉันไหนชันไหนเลย เ, เพียงแค่ประสบของพระองค์เองอเที่ประดิษฐานอยู่ในมหาสุสานของนิทรานครอคอคณิรุธจะไม่อาจมาลอบนำพาไปได้มันไรขอสารภาพณที่นี่ว่ามันเกินกว่าความสามารถของมันไรที่จะสะกัดกัน้น ป้องกันบุรุษผู้เต็มไปด้วยความแกรงกล้าริผู้นั้นได้และยังเจ็บแค้นอาฆาตจองเวรอยู่มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้หากว่ามันใครสามารถที่จะปกป้องพระสบของพระองค์แล้วก็ย่อมปกป้องพระชนชีพของสมเด็จพระราชบิดาของพระองค์ไว้ได้เช่นกันในครั้งนั้น มันไรเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทุกดา้านจะรบด้ยวยอาวุธมันไรก็หาได้มีฝีมือแม้แต่น้อยนิดจะใช้เล่ห์เพทุบายกริตยาอาคมอคคณิรุธก็เท่าทันสกัดกัน้นแก้ตกไปทุกเปลาะเพราะเมื่อเราวางที่จิตรางคันางยังมีพระชนชีพอยู่ก็ได้กระทาตน ดุดใส้ศึกคอยสงข่าวบอกความในให้อัคคนิรุธอยู่ตลอดเวลาก็ด้วยประการชนีและพระเจ้าข่ามันไรจึงมิอาจที่จะรู้ตัวหาทางสกัดกันป้องกันพระสบของพระองค์ไว้ได้ในครั้งกระนั้น อัคนิรุษรอบเข้ามานำพาพระศพของพระองค์ไปแต่อย่างเดียวถ้าจะหวนกลับเข้ามาทำศึกซ้ากับพระเจ้าอาชัยสุริยาอาณาจักรนิทรานครก็ยากที่จะต้านทานต่อพลังฤทธิ์ของอัคนิรุธได้การศึกสงครามระหว่างแคว้นปัญจาล และอาณาจักรให<น>ญ pues, ่น <you> <heart> <or igen> ิทรานครสุดส <our> ิ nah, ้นลงเพียงแค่อักนิรุธมาลักประสบกลับคืนไปยังแว่นแควนนครตมและไม่ได้หวนกลับมากระทำศึกด้วยอีกเลยพระเจ้าอาชัยสุริยาซึ่งยามนั้นได้ขึ้นทะเลิงทวันครองราชแล้วก็เกิดความคลั่นคร้ามขามเกรง รับสัง่งกับเสนาพฤธามาศและที่ประชุมของขุนทัพทั้งหลายว่าอคคณิรุธเลอบมาลักพาพระสพของจิตรางคนางไปก็ยังดีกว่าที่จะให้กรีธาทัพย้อนกลับมารบให้เป็นศึกติดพันต่อไปอีกเพียงแค่สรากอันหาชีวิตใหม่ของอดีตมกุฎราชกุมารี ที่มันมาขโมยไปเรามิพักประสงค์ที่จะก่อให้เกิดเป็นศึกไปตามทิ้งศพคืนมาให้อีกให้เสียเวลาเ <ใน S 1> หตุการณ์ได้เป็นเช่นที่มันไตรกลาทูนเช่นนี้อีกประการที่สำคัญยิ่งก็คือพระเจ้าอาจะมวมัวอะไรใหญ่ดีอะไร ประสบของจิตรางขันนางที่ข้าซึกมาขโมยไปเพราะมันเป็นสิ่งที่ปราศจากความหมายใดๆโดยสิ้นเชิงของชัยสุริยาแต่สำหรับมันไรสิมันไรสิที่ยังจะปวดอาคาดแทนมาจนกระทั่งทุกวันนี้พระเจ้าขา้ารับดิดสนีและสินะ ว่าในยุคนั้นไม่มีผู้ใดที่จะเกรียงไกรยิ่งใหญ่ไปกว่าอัคนิรุธได้เลยแม้แต่ตัวท่านเองมันใครยอมรับแต่ในชาตินี้อัคนิรุธในคราบของพรานไครหาได้แกลงกล้าเนื้อไปกว่ามันใครไม่และมันก็ตกตัวในสภาพดุดลูกไกในกำมือทว่าประวัติก็ย้อนมาสันรอยเดิม จิตร่างกันนางเองอีกนั่นแหละที่มาขอร้องมันไรไว้เพื่อให้มันไรยุติการล้างแทนที่เฝ้ารอคอยใต่ฝาาพระบาทกระทําพระองค์ดุดใ้่ซึกอีกเช่นเคยพระเจ้าค่าดารินถอนใจเฮือกมันไร มันได้ประโยชน์ในการที่ท่านจะเฝ้าจองเวรอยู่เช่นนี้นะเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็ได้ล่วงเลยผ่านมานานแสนานานแล้วฉะไหนวิญญาณของท่านจึงไม่ยอมละพยาบาทและเปลี่ยนไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นกว่านี้ล่ะท่านยังเฝ้าวนเวียนรอคอยทั้งเราและอัคนิรุษอยู่อย่างนี้เพื่อปรารถนาจะล้างแค้นให้ได้และตัวท่านเองะได้อะไรขึ้นมาบ้าง นี่เป็นคําขอร้องเป็นคําวิงวอนจากเรานะมันไตรจงปลดปล่อยเราและอัคคเนรุษไปตามยถากรรมเถอะขอยุติเวรภัยต่อกันเพียงนี้ได้ไหมมันจะเป็นมหากูุลุแกดวงจิตดวงวิญญาณของท่านเองเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรเชื่อเราเถอะท่านราชปุโรหิตประโยคสุดท้ายหล่อนวิงวอน ในเงาสลัวร่างริมฝีปากบนใบหน้านั้นสะยะยิญญ้ม <c oughs> <c oughs> มั น, มนรร ย, ยอมอละเ <ละ S 1> ว้นปล่อยวางอัคารีรุธให้แก่ใต้ฝ่าพระบาทแล้วตามสัญญาแต่จิตร้างคันนางจะต้องปฏิบัติตามสัจจะที่ได้มอบไว้ให้โดยไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้ เว้นสิ้นสุดลงได้แต่ความสเสน่หาที่มันไรมีต่อจิตรางขันนางไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นกี่ชาติกี่บเสียเวลาเปล่าเสียเวลาจริงๆที่หลอ่อนจะพร่ำอดอ้อนชี้ทางให้แกเจ้าปีาศาจราชปุโรหิตผู้เต็มไปได้วยบาปหนา มันยอมละเว้นอคคเนรุตฤพรินของหล่อนในชาตินี้ได้หล่อนเชื่อแต่สําหรับตัวหล่อนเองสิกลับมีเวรกรรมที่จะต้องผูกพันกับมันชนิดที่ไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงได้นอกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะพินาศไปข้างหนึ่งเท่านั้นและนี่หล่อนจะมีอะไรไปต่อสู้ขับเขี้ยวกำมันท่ามกลางตัวคนเดียวตามลําพังอันตกอยู่ในสภาพเฉลยเช่นนี้ มองอนาคตแล้วมันช่างมืดมนไปหมดใครล่ะที่จะมาช่วยหล่อนได้นอกจากสติปัญญาบุญหรือ ก, กรรมเก่าของหล่อนเท่านั้นที่เป็นเครื่องตัดสินหญิงสาวยกมือทั้งสองขึ้นรูปใบหน้าดวงตายังจับมองดูซากที่วิญญาณร้ายของอดีตราชปุโรหิตเจ้าเล่สิงสถิตอยู่นั้นนึกรำพึงอยู่ภายในว่า วิญญาณชั่วร้ายดวงนี้มันมีฤทธิ์เดชอยู่เหนือพญามัจยุราชอันเป็นเทพเจ้าผู้ครอบครองอยู่ในนรกที่เดียวเชวหรือเหตุใดมันถึงยังได้ล่องลอยวนเวียนอยู่ได้โดยไม่ถูกกดแห่งกรรมฉุดกระชากลงไปสู่ขุมนรกสียทีหรือว่ามัจยุราชท่านจะใช้ให้มันมาทําหน้าที่เอาดวงวิญญาณของหล่อนไป นี่หล่อนทำบาปเวรอะไรไว้นักหนาทีเดียวหรือจึงจะต้องมาถูกลงโทษโดยต้องตกเป็นเหยื่อของมันไรในชาติภพนี้นี่มันไรในที่สุดดารินก็เ อ, อ่ยเรียกนามนั้นขึ้นอย่างแผ่วเบาแต่ชัดเจนสำรวมจิตให้มั่นคงอีกครั้งพระเจ้าค่ะจิ ต, จตรางขณะ เียงตอบรับสนองคามาอย่างอ่อนน้อมแต่มีแววแห่งความพึงพอใจในชัยชนะที่ครองอยู่เหนือกว่ามันไตรเราเองขณะนี้ก็หมดอะไรตายอยากกระชีวิตเลือดเนื้อและร่างกายในชาตินี้ของเราเต็มทีละอ่อนระอาหมดสิ้นความหวังที่จะทนต่อความทุกข์ยากเพื่อมุ่งหน้าบักบันติดตามหาชายอันเป็นที่รักด้วยความยากแค้นแสนสาหัส จนเลือดตากระเด็นโอกาสมันก็เป็นของท่านแล้วละ่ะจงทำลายร่างกายชีวิตของเราให้มันย่อยยับไปเถอะแล้วก็เอาแต่เฉพาะดวงปราณของเราไปอย่าให้ร่างกายของเราต้องทุกข์ยากสมสารต่อไปอีกเลยจงฆ่าเราซะเดี๋ยวนี้เถอะมันไรแล้วก็เอาวิญญาณเราไป <c oughs> มหาเทวี ผู้เป็นยอดรักยอดบูชาของมันไรข้าพระบาทมันไรหาได้มีเจตาร้ายใดๆต่อเมืองพระบาทเลยแม้แต่น้อยนิดจะมีก็แต่ความรักความทนุธนอมมาแต่ปางบันจบจนกระทั่งปัจจุบันกัตนนี้ที่คอยเฝ้าติดตามอยู่ ก็ด้วยความเสนหาเป็นเคลื่อนชักพาบงการแต่พระองค์ก็หาได้หันมาเห็นใจเข้าใจในความรักของมันใครแม้แต่น้อยไม่ไม่ว่าจะรอคอยมาสักกี่ชาติแล้วพระองค์เคยดื่มยาพิษพิษดับที่หนีมันใครไปแล้วในครั้งกระโนูนมาชา จะคิดละนี้มันไตรในลักษณะการาเช่นเดิมอีกหรือไรอและนี่ท่านต้องการอะไรจากเราหรอวันไตรร่างกายอันมีเลือดเนื้อชีวิตเยี่ยงขนาดนี้หรือเฉพาะวิญ ญ, ญาณทั้งร่างกายและวิญญาณของจิตรางขันนาพระเจ้าข่ะ มันใรท่านจะได้ประโยชน์อันใดจากร่างกายอันประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟของเราขณะนี้ล่ะในเมื่อเราต่างสภาวะกันออกไปแล้วท่านน่ะเป็นเพียงดวงวิญญาณอมตะที่ล่องลอยอยู่แต่เรายังมีร่างกายอันเป็นมนุษย์ปุทุชนหรือจะพูดให้ตรงก็คือ เราทั้งสองฝ่ายนี้อยู่กันคนละโล ก, กภูมิท่านจะสมปรารถนาจากเราได้ยังไงดารินพุ่งคำถามเข้าหาจุดที่ตนเองก็พิสวงจิตรางคันนางเมื่อพระองค์เองสเสด็จไปจนถึงถิ่นอันเป็นราชาฐานเดิมของพระองค์พระองค์ก็จะเข้าพระทัยได้เอง ว่ามันไรจะสมมาตรราธนาได้อย่างไรและพระองค์จะต้องสเสด็จไปด้วยชีวิตร่างกายที่มีอยู่นี้โดยครบถ้วนไม่ใช่ละทิ้งร่างไปสะก่อนมันไรได้กราบทูให้ทรงทราบไว้ตั้งแต่ราตรีที่ผ่านมาแล้วว่านะสถานถิ่นั้นทุกสิ่งทุกอย่าง จะยังคงรอคอยจิตกลางคนางอยู่เหมือนเดิมโดยมิได้มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นคือมหาปราศาสตรอิตรางคนางกลางอุทยานประดุกสูงสวรรค์ที่พระราชบิดาสร้างไว้ให้เมื่อครั้งเสด็จขึ้นรับอิสริยยศดํารงตำแหน่งมากราชกุมารีพระองค์จะทรงความเป็นอมตะ อยู่ณที่นั้นเคียงคู่มันไรตลอดไปชั่วนิรันดร์การไม่มีสิ่งวุ่นวายทุกยากใดใดในโลกนี้มาแพ่ผ่านรบวนอีกแล้วและนี่คือสิ่งที่มันไรรอคอยมาชั่วกับกันที่นั่น จะมีแต่เพียงสองเราเท่านั้นพระเจ้าค่ะเอา้าแล้วเนื้อหนังมังสาที่ชนของเราที่มีนี่ล่ละมันไตรจะดำรงอยู่ในสภาพไหนดารินกลั้นใจถามจิตรางขันนางร <ะ S 1> พระองค์จะดำรงอยู่เยี่ยงทิทพยาสภาพ ไม่รู้ร้อนรู้หนาวรู้เจ็บรู้หิวอยู่เหนือสภาวะของมนุษย์สิโลกเนื้อความจริงที่คนเขาผู้หนึ่งได้เคยประกาศเอาไว้ว่าไปมีความสักจริงสีประการคือเกิดแกเจบตายจิตรางขนนางจะไม่เกิด ไม่แกไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตายอีกแล้วจะมีสภาพเป็นความจีรังดุดดวงดาวในห่วงจักรวาลเอฟังดูก็ออกจะเข้าท่านะดารินเบิกตานิดนึงพยักหน้าเงึกๆงึกแต่ท่านจะไม่โอหังมากเกินไปเรอะมันไร ที่บังอาจอ้างในสิ่งนอกข้ออย่างนั้นท่านคิดเอว่าจะไม่มีอำนาจอะไรที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าท่านอีกแล้วในจักรวาล น, นี้เพียงแต่ว่าอำนาจที่เหนือกว่าชนิดนั้นยังไม่ได้กำหนดการและพินาศให้แก่ท่านลงมาเท่านั้นท่านกำลังวางตนและมีความเชื่อมั่นว่าเป็นพระเจ้าซสเอง แล้วก็ท้าทายมาหิตที่อำนาจทั้งเบื้องสูงและเบื้องต่ำนี่ท่านเอาวิชามืดมัวใชยจนไม่รู้หรือว่าแส่งทำเป็นไม่รู้เพราะความยะโสลำพองหลงอยู่แต่เฉพาะอิทธิฤทธิ์ของตอนเองมันไร <c oughs> จิตกลางกันนางจ ง, งเชื่อเถิดว่ามั น, มนไรผู้นี้ เดินอยู่เหนือนรก <ล technology S 2> และสวรรค์เจ้าปีศาจพ่อมดร้าย <Zhong> ate, ตอ บ, ตอบมาด้วยเสียงลึกประดุดจะประกาศท้าทายอินพรมย ม, มาราชไปทั่วเอาล่ะมันไจเราจะไม่โต้เถียงใดๆกับท่านอีกแล้วล่ะขอท่านลำพองอยู่ในฤทธิเดชของท่านให้ตลอดไปเถอะจะขอถามแต่เพียงว่า เมื่อท่านเก่งกล้าสามารถถึงเพียงนี้แล้วเหตุใ ด, ดท่านถึงได้สถานระย่อเกรงองคคณิรุธในครั้งกระนั้นเหตุใ ด, ดถึงไม่กําจัดเขาเสะให้ได้ตั้งแต่ครั้งนั้นล่ะในครั้งกรนั้นครั้งกรนั้นมั น, น, นไรนนยังไม่ได้บ่มฤทธิ์ให้แก่กล้า เหมือนเช่นที่ได้สำเร็จผลลงแล้วดังเช่นขันนี้เมื่อดวงดาวในวงจักรวาลเบี่ยงเบนเปลี่ยนทิศทางตามการเวลาเมื่อมหาคัมภีมายาวินได้รับรังสีของดาวมรตจูเมื่อนั้นเมื่อนั้น มันไครจะแก่ก้าริบขึ้นทุกขันหนักไม่มีสิ่งใดที่จะมาหยุดยั้งมันไรได้ทั้งสิ้น่งมหาคัมภีรมายาวินเหรอดารินลืมตาโพล่อุทานออกมาดังๆใช่แล้วมหาคัมภีมายาวิน S 1> <S 1> <S. อาพโทไอ้คัมพีอุบาทที่ข้าเป็นคนไปถอนกรตรที่เจ้าปักตรึงไว้ใต้แท่นของโลงแก้วพันธุมวดีแล้วก็ถูกอาคาันิรุษซึ่งเป็นพานป่าในชาตินี้เผ า, าเป็นเท่าทานไปแล้วยังงั้นเหรอปากบนใบหน้านั้นสียบและหินฟันซี่โตจากเงาสลัวพรมแพลม ของกองไฟที่หลอนก่อไว้จิตรางขณะนางนถึงพระองค์จะทรงถอนกรกออกจากคำพินนั้นลดรถถอยดวงวิญญาณของพันธนวดีให้เป็นอิสระรอไปได้ และถึงแม้อัคนิรุธซึ่งเกิดมาเป็นไอ้พรานต่ำสักในชาตินี้จะใช้เล่ห์กลเผาคัมพีให้กลายเป็นธุลีเท่าไปแต่ทุกสโลทุกบทโบตอนของอัธธาคาฐามนตราได้ถูกทองบนจดจำไว้หมดสิ้นแล้วในดวงกิจของมันไร ไม่เช่นนั้นมันไรก็คงไม่หวนกลับมาได้อีกรอกและอย่าทรงคิดว่าจิตวิญญาณอมตะของมันไรจะสิงสู่อยู่ได้ในเฉพาะซาที่ตายไปแล้วเท่านั้นแม้ร่างกายอันประกอบไปด้วยธาตุทั้งสีเช่นที่พระองค์กล่าว มันเรียกว่าม น, นุษย์มันไรก็จะเข้าไปสิงสู่ครอบงำร่างกายนั้นมาใช้เมื่อใดก็ได้อย่างไม่รู้จบจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งสุดแต่จะปราถนาเพียงแต่ว่ามันใครยังไม่ประสงค์จะใช้ร่างกายของมนุษย์ผู้มีเลือดเนื้อ แล ะ, และชีวิตเ<ล>ท่านั้นโดยเห็นว่ายังไม่จำเป็นเพราะร่างกายของมนุษย์ยังต้องดิ้นรนเสวงหาเพื่อให้คงท่าทั้งสีเอาไว้ซึ่งนั้นเป็นภาระที่น่าเบื่อนายมันไรนี่ขาจะเรียกเจ้ายัางไงดีถึงจะถูกต้องนะมันไร เจ้าผู้เป็นพระเจ้าองค์ใหม่หรือจะเรียกว่าปีศาจร้ายผู้ทรงฤทธิ์เหนือยมาราชดีแหละเนี่ยจงเรียกว่ามันไรผู้รักจิตรางคันงานอย่างมั่นคง <c oughs> และ <c oughs> เฝ้ารอคอยมาตลอด <c oughs> จะถูกต้องมากที่สุดรพระเจ้าค่าเจ้าสิ่งลึกลับ อันน่าสยองสุดเกี้ยวหลอนมาด้วยวาทะอันคมขายจนดารินก็อดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้นี่มันไตรเจ้าคนรักกันน่ะเขาไม่นั่งรับรับล่อๆ อ, อห่างกันอยู่ยังงั้นหรอกแต่ว่าไปนี่ก็เป็นโอกาสปลอดดีที่สุดแล้วสำหรับเจ้าและเจ้าก็บอกว่าได้เฝ้ารอคอยข้ามานานไม่มีใครที่จะมาคอยขัดขวางเจ้าอยู่ทั้งสิ้น จะมีก็แต่บริวารและก็เวทมนต์ของเจ้าเท่านั้นที่แวดล้อมอยู่ในขนาดนี้เพราะฉะนั้นจะช้าอยู่ให่ล่ะเข้ามาใกล้ๆข้าสิข้ากำลังรออ้อมกอดและจุมพิษจากเจ้าอยู่นะบัดนี้ไงดารินพยักหน้าเรียกพร้อมกับรอยยิ้มเชิญชวนแต่มือหนึ่งแตะทาบสวงอกไว้สมเด็จทั้งสององค์ยังแนบอยู่กับกาย ซ่อนสนิทอยู่ภายในเสื้อมันไรยืดลำคอตั้งศีรษะตรงขึ้นแต่ยังนั่งนิ่งเฉอยอยู่ที่เดิมหล่อนร้องเรียกเชิงท้าทายมาอีกแต่มันก็หาได้ขยับขยื่นกายไม่เอน่าประหลาดนะมันไรเจ้าประสงค์จะเอาตัวข้าไปแต่เจ้าเองกลับรังเกียจที่จะเข้าใกล้ข้า ไหนเจ้าบอกไงว่าเจ้านะ่ะมีอำนาจเหนือจักรวาลไม่เคยหวั่นระย้อต่อสิ่งใดทั้งสิ้นยังไงทําไมถึงยังรีรออยู่ละ่ะข้ามาสิมันรายหรือจะให้จิตรางขนางผู้นี้เดินเข้าไปสู่อ้อมแขนของเจ้าเองละ่ะพร้อมกับพูดดารินก็ลุกขึ้นยืนร่างนั้นทะลันทะลันยืนตามขึ้นในทันทีนั้นก้าวถอยหลังบังเหลี่ยมรากไม้ใหญ่ ยังยังไม่ถึงเวลาที่ฝาพระบาทจะเข้าใกล้ชิดองค์ได้รอให้ถึงเวลาเสียก่อนแล้วจิตรางขนางจะอยู่ในอ้อมกอดของมันไรตราช่วนนิรันโดยไม่มีอะไรมาแยกจากกันได้อีมันไรทนลาก่อนอันเชิญบรรทมพักเอาแรงเถิดเพื่อวารุณารุ่ม จะได้เดินทางต่อไปมันไรน่าเสียดายนะความจริงราตรีนี้เจ้าควรจะนอนอยู่เคียงข้างข้าด้วยไม่ควรจะปล่อยให้ข้าต้องนอนอยู่ตามลําพังอย่างเปล่าเปลี่ยวเช่นนี้เลยบอกให้รู้สักนิดได้ไหมอีกนานเท่าไหร่ข้าถึงจะเดินทางไปถึงมหาปราศาท์ เป็นทินเดิมของข้าสาญหัตการของทิวารุกฝาพระบาทจะเสด็จถึงมหาปราศาสมันใครจะรอคอยอยู่แล้วณที่นั้นคอยนิทรายันเป็นสุขจะไม่มีพยันตรายใดๆเข้ามาแพ้วพานเบื้องพระบาทอีกเลยพระเจ้าค่ะ จบคําพูดเพียงแค่นั้นร่างของมันไรก็ถอยเข้าสู่ความมืดของราตรีกางกลางไพรลึกแล้วอันตรธานไปอย่างเงียบเชียบปล่อยให้ดารินยืนอยู่ตามลําพังท่ามกลางความอ้างว่างเหมือนตกอยู่ในโลกแห่งความฝันดารินวราริก พบตนเองยืนโดดเดี่ยวอยู่ตามลำพังอีกครั้งโดยไม่มีสิ่งใดจะแผ่วพานกล้ำกลายเข้ามาเลยเหมือนยืนอยู่ปลายขอบโลกร้างอีกวาระหนึ่งสภาพของหล่อนในยามนี้ก็ดูจะไม่ผิดอะไรกับข้อความรำพันของบทเพลงเศร้าลำนำหนึ่งที่กล่าวว่าฉัน ต้องหลงอ้างวางกลางป่าสุดเหลียวแลหาผู้อื่นป่าเปลี่ยวเช่นนี้ไม่ชื่นดึกดื่นค่อนคืนทอดถอนเหนาสุดเหนาต้องสุดลงนั่งต้องพักหยุดยั้งพลางก่อน เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแรงอ่อนอกสั่นรอนรอนถอนใจไหววอนลูกมาขอนอนกลางใครเช้าขึ้นลูกจะไปโปรดจงคุ้มภัยเถิดหนา แล้วหล่อนก็สุดกายลงนั่งณนะตำแหน่งเดิมและที่สุดก็ทอดกายเหยียดยาวลงกับพื้นดินหนุนท่อนไม้แทนหมอนนอนป่าสมจริงตามข้อความรำพันของเพลงเก่าๆบทนั้นมือทั้งสองประสานกันไหวบนสวงอกสวดมนต์ภาวนาตั้งสมาธิจิตมิช้ามินาน ก็เข้าสู่พวังอันสงบไม่รู้ร้อนรู้หนาวสิ้นภาวะการรับรู้จากร่างกายอันเป็นอินทรีย์หยาบหมดสิ้นราตรีนี้เป็นอีกราตรีหนึ่งที่ไม่มีนิมิตใดๆมาเข้าสู่ห้วงนิทราของดารินเลยแม้ว่าจะขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เพื่อให้มองย้อนกลับหลังไปสู่อดีตการของตนเองโดยกําหนดจิตแน่วูนิ่งเช่นเดียวกับคืนที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฝันร้ายหรือฝันดีภายหลังจากสวดพระคาถาชินบัญชรจบไปก้าข้าดารินก็หลับได้อย่างสนิท ด, ดีที่สุด